เราก็สั่งสมไปนี่แหละทำยังไม่ได้ก็ทำให้มันได้สักครั้งหนึ่งก็องอยังดีทำได้สักครั้งหนึ่งมันก็มีกำลังใจคําต่อไปเรื่อยๆกำลังใจที่เราจะอดทนกำลังใจที่เราจะอดทนจนประสบความสาเร็จในสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้เราก็มีมิชชั่นแบบนี้เล็กๆน้อยๆเอาไว้เป็น ยอดกระปุกกำลังใจใ ห, ให้ตัวเองสร้างความสำเร็จเล็กๆน้อยๆไว้เป็นพลังใจให้กับตัวเองแล้วก็ได้หัดที่จะข่มขี่กิเลสที่อยู่ในใจเขาอยากจะวกกลับมาที่ หลักการที่เรากำลังทำกันอยู่นะก็คือมีใจมีสติที่คอยเห็นกายเห็นใจที่ลมหายใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการย้ำอีกสักครั้งหนึ่งก็คือสติส่วนลมมันมันก็ไม่ได้เป็นหลักใหญ่ใจความสำคัญที่เราอยากจะได้สักทีเดียวสิ่งที่เรา ใช้ลกกมก็ดีคําบริกรรมก็ดีก็เพื่อต้องการที่จะให้ใจของเราเนี่ยมันย้อนกลับมาตั้งไว้ตรงนี้สติที่เราะระลึกก็มาะระลึกอยู่ตรงนี้ความรู้สึกตัวที่มันส่งสายออกไปได้มันย้อนกลับมาอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าสติความใส่ใจของเรามันย้อนกลับมาที่ตรงนี้ได้ เราประคองตัวนี้เอาไว้เลยลมก็ดูผ่านานไปก็ได้สิ่งที่สำคัญเรเจะจับความรู้สึกอันนี้เอาไว้ล็อกความรู้สึกตรงนี้เอาไว้พอเราเห็นอยู่อย่างนี้เนี่ยเราก็จะค่อยๆเห็นใจเราบ่อยขึ้นเห็นใจบ่อยขึ้นก็จะเห็นอารมณ์ในใจบ่อยขึ้นไปด้วย อย่างตอนนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นอารมณ์ในใจเท่าไหร่เพราะมันก็เริบร้อยออกมาโดยตลอดแต่อย่างตอนชั่วโมงอธิษฐานเมื่อสักครู่ก็อาจจะเห็นดีขึ้นหน่อยหนึ่งว่ามันก็ดิ้นรนกระสับกระส่ายพอสมควรสำหรับบางคนซึ่งเวลาที่มันเป็นอย่างนั้นแล้วนะมันก็ยืนะ้่น่ะยื้อกันระหว่าง ความปวดที่มันจะดึงใจเราออกไปกับสติที่เราคอยจะรักษาใจอยู่ที่ลมหายใจสำหรับบางคนที่ทำแล้วใจมันอยู่กับลมหายใจได้ดีไม่ได้ไปใส่ใจกับความปวดเราก็จะเห็นสภาวะของใจว่าโอ้มันสบายความดิ้นรนมันก็ดินรนไป แต่ใ จ, ใจของเราความเป็นเราอยู่ที่สติตัวนี้มันสบายมันไม่ไม่ไปร้อนรนไปกับความปวดทางกายหรือหือเราเข้าสมาธิดีเราเห็นจดจ่ออยู่กับลมหายใจได้ดีมันก็เหมือนความปวดมันก็อยู่ไกลๆนู่น อาจจะปวดก้นปวดเขา่าปวดขาก็เหมือนอยู่ไกลๆกลโน่นแต่เราอยู่ไหนเราอยู่ตรงลมหายใจนี่เราอยู่ที่สติเฉพาะหน้านี่ความปวดมันก็เหมือนอยู่ไกลๆทลตงโน้นมันเข้ามาไม่ถึงเรามันก็มีหลายแบบที่เราจะรู้สึกได้ที่เป็นได้ความทุกข์มันเกิดขึ้นถ้าใจเรามีที่อยู่ ที่ดีให้มันมันก็จะอย่างที่ว่าไปเข้าไม่ถึงใจใจเรามีกรอบคือสติมีอารมณ์ความสงบคอยคุ้มครองอยู่แต่พอเราทำเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือมันจะพัฒนาให้เราไปเป็นนักหลบ เวลาที่เรามีสมาธิที่ดีเราก็จะคอยหลบอยู่เรื่อยพอเราทําไปทําไปจากกลายที่เป็นคนเข้มแข็งจิตใจเข้มแข็งอดทนได้ไม่ท้อถอยก็จะอ่อนแอลงไปเพราะอะไรสบายไงเข้าสมาธิได้จนสบายพอสบายบ่อยๆมันก็เหมือนคนที่ติดสบายอะ่ะมันก็ย่อท้อต่อความทุกข์ไม่ทนต่อความทุกข์เท่าเก่า เพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะเป็นกับดักหลุมพลางอันหนึ่งที่คิดว่ายังไงเขาคงจะต้องเจอกันโดยเฉพาะกันที่เรากลับไปใช้ชีวิตตามปกติใช้ชีวิตตอนทำงานนมันจะมีแต่เรื่องวุ่นวายเราก็จะรักษาความสงบได้ยากแต่เราก็เห็นคุณค่าอยู่คุณค่าของใจที่อยู่กับความสงบมีความสงบ เป็นพื้นเดิมแล้วก็พยายามรักษาดีพุดโธก็แล้วดูลมก็แล้วโอ้ยทาไมมันวุ่นวายจังมันไม่สงบเหมือนตอนที่เราไปเข้าคอร์สเลยความสบายใจมันที่เราตุนเอาไว้สองสามวันนี่มันก็ค่อยๆหมดไปหมดไปหมดไปหมดไปอันนั้นคือชีวิตจริงที่ยังไงเราต้องเจอแน่นอนอันนี้ก็เรียกว่าสนามซ้อม สอนไม่ก่อนพอไปสู่สนามรบจริงแล้วเนี่ยภัสสะที่มันจะมากระทบใจมันก็หลายทางไม่ใช่แต่เฉพาะภัสสะทางร่างกายที่ปวดเมื่อยอย่างเดียวหรือความคิดฟุ่งสร้างยิ่งเรากลับไปทํางานมันยิ่งฟุ่งสร้างกว่าเก่าวุ่นวายกว่าเก่าต้องคิดเยอะกว่าเก่า แต่พอมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็ยังยังไม่ทิ้งความมีแก่ใจที่จะรักษาใจได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีถ้าเราทำได้โดยการที่เรามามีสติคอยเฝ้าดูลมหรือบริกา ร, รพุทโธไปด้วยเวราทำอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นหนึ่งความต่างกันะแหละว่าทำในคอร์สก็ได้ผลอย่างหนึ่ง พอสู่สนามรบจริงแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่แน่นอนเลยเราต้องทำใจตามความเป็นจริงไว้ก่อนว่าเงื่อนไขสภาวะแวดล้อมที่มันต่างกันมันได้ผลดีไม่เท่ากันมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้ามันไม่ได้ผลดีตามตามที่เราคิดไว้เราก็อย่าไปเปิดช่องให้กิเลสมัน ดึงเราไปขี้เกียจโอ้ยทำไปก็ไม่เห็นได้เลยทำไปก็ไม่เห็นดีเลยเอาหัวฟาใส่หมอนเลยนอนซะนี่ก็ไม่ถูกเราก็พยายามทำนั่นแหละถึงบอกว่าพยายามเอาใจอยู่กับเหตุไม่เอาใจไปไว้ที่ผลถ้าเราเอาใจไว้ที่เหตุเราก็จะมีกำลังใจทรงกำลังใจไว้ได้ดีแล้วอีกอย่างหนึง่งทา แล้วได้ผลดีก็ตามไม่ได้ผลดีก็ตามถึงทำแล้วจะไม่ได้ผลดีแต่สิ่งที่มันได้แน่นอนคือศักยภาพของใจที่หนึ่งเรายังมีความอดทนอยู่เรายังมีความเพียรพยายามอยู่เรายังมีความตั้งใจดีๆหลงเหลืออยู่แล้วสำคัญก็คือพอเราทำไปเรื่อยๆ มันจะได้นิสัยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะนิสัยนิสัยอันใหม่นิสัยที่เราจะไม่ปล่อยใจให้มันไปในเรื่องต่างๆฟุ้งไปในเรื่องต่างๆแบบไร้ทิศ ท, ทางแต่เราจะเป็นได้นิสัยที่ใจเราจะหมั่นคอยย้อนกลับมาในภายในหาความสงบในภายใน แต่ก็อย่างที่บอกไว้เมื่อตอนแรกก็คือพอเราทำความสงบได้ดีทำความสงบได้บ่อยๆสิ่งหนึ่งก็คื อ, อเราต้องไม่เป็นนักหลบเราต้องเป็นนักลบ ก, ก็คืออะไรเออะอะไรก็แต่หนีเข้าสมาธิอย่างเดียวก็ไม่ถูกมีทุกข์เราต้องค้นคว้าด้วยว่าทุกข์เนี่ยคืออะไร อะไรเป็นเหตุเกิดทุกข์นั้นๆไม่ใช่ว่าเข้าสมาธิได้ความสงบสบายแล้วเราก็พอใจอยู่เพียงเท่านี้อันนี้มันจะทำให้เรากลายเป็นนักหลบไม่ใช่นักรบและผลเสียมันก็มีเหมือนกันก็คือว่าเราก็จะไม่เข้าใจสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงได้อย่าง ทีทวนเพราะอะไรเพราะแทนที่เราจะเอาเวลาไปพิจารณาจากความสงบที่เรามีเนี่ยเอาไปพิจารณาสิ่งต่างๆให้มันซึ้งลงไปในใจว่าเออมันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์นะมันเป็นของที่ไม่มีตัวตนที่เราควบคุมไม่ได้เราก็หลบเอาแต่สบายความสุขแต่สมาธิเพียงอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นนักกรบของแท้ ห ล, ลบเข้าสมาธิอย่างเดียวแต่ข้อเสียของมันก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะทรงอารมณ์ทรงสมาธิเอาไว้ได้อยู่ตลอดเวลาหรอกมันจะต้องมีตอนช่วงที่เราเผลอช่วงที่เราขี้เกียจช่วงที่เราเข้าสมาธิได้ไม่ดีเหตุปัจจัยการงานมากเราก็เข้าสมาธิยาก ทรงอารมณ์ลำบากมันต้องเจอแน่นอนแต่เราก็จะโดนผัสสะมันมากลุ่มลุมจิตใจแล้วมันเป็นยังไงเพราะว่าเราขาดขาดอาวุธอีกอันหนึ่งที่สำคัญที่เรียกว่าการพิจารณาตามความเป็นจริงพอเราขาดตัวนี้ปุ๊บมันก็ไม่มีอาวุธเอาไว้สู้ มีอาวุธแค่การเข้าสมาธิอย่างเดียวซึ่งมันก็ใช้ได้ได้ในบางสถานการณ์ที่ใช้ได้ดีแต่ในสถานการณ์บางสถานการณ์ที่มันใช้ได้ไม่ดีเราก็ไม่มีอาวุธอันอื่นเหลือที่จะไปต่อสู้แล้วเพราะงั้นการพิจารณาให้มันเห็นถึงสิ่งต่างๆสภาพต่างๆตามความเป็นจริงว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ขอไม่มีตัวตนหรือพิจารณาให้มันเห็นว่าจริงๆแล้วบทสรุปมันก็เป็นที่ประชุมรวมกันของธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองเห็นบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆซึ่งใ้ความจริงที่เราพิจารณาแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เราปล่อยวางได้ง่ายปล่อยวางอารมณ์ต่างๆได้ดี เพราะอะไรเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปมันไม่มีอะไรที่มันเป็นแก่นสารท่้งแท้ยั่งยืนถาวรตลอดกับตลอดกันไม่เปลี่ยนแปลงมันไม่มีหรอกอย่างเราบอกว่าการงานของเราเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มันสาคัญนะไม่เสร็จก็ไม่ได้ทำไม่ถูกก็ไม่ได้งานมันก็มีเยอะคนทำก็มีน้อยอย่างนี้เป็นต้น แต่ถ้าเราคิดดูให้ดีถ้าเราตายไปนะไม่เกินสามวันเขาหาคนมาทําแทนเราได้แน่นอนหรือแม้แต่เราลาออกไม่เกินสามสี่วันไม่เกินอาทิตย์หนึ่งหรอกเขาก็หาคนมาแทนได้เพราะฉะนั้นงานมันไม่มีวันหมดสิ่งที่สิ่งที่มันมีบนโลกใบนี้เนี่ยมันก็ มันมีสาระอยู่แค่ช่วงเวลาของมันะพอตายไปแล้วหรือเราจบความตายเป็นตัวที่สุดก็ได้ความตายเป็นตัวที่สุดเป็นตัวตัดสินว่ามันก็ไม่ได้มีสาระอะไรตายไปแล้วมันก็ตามเราไปไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ควรที่จะเอาใจไปผูกยิดผูกโยงผูกติด มันมากจนเกินไปแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเวลาที่เราเห็นถึงความไม่มีสาระแก่นสารของมันแล้วเนี่ยเราก็ไม่ใช่เป็นคนที่เอาความจริงเหล่านี้มาทำให้ใจเรากระด้างแข็งกระด้างเป็นคนอยากใครมันก็ไม่ใช่แต่ทำให้เรารู้จักรู้จักความพอดีรู้จักว่าอะไร ต้องทำก็ทําให้มันเต็มที่ถึงเวลาต้องพักต้องปล่อยวางก็พักก็ปล่อยวางจริงๆอันนี้ก็สําคัญคนมีทำมากที่ดีเขาก็รู้จักรู้จักแบ่งหน้าที่รู้จักพอดีอะนะความพอดีเวลางานก็ส่วนเวลางานเวลา ครอบครัวก็ส่วเวลาครอบครัวแล้วงานภายในเราก็ไม่ละเลยที่จะทำอยู่อย่างต่อเนื่องบ่อยๆเพราะว่าความไอตัวงานภายในอะ่ะมันก็เป็นมันเป็นเรื่องของเราจริงๆเป็นเรื่องของเราโดยแท้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสุขความทุกข์ของเราซึ่งถ้าเราไม่ทำ จะให้ใครมาทำให้เรามีความสุขจะทำให้ความทุกข์ของเราหายไปทำไม่ได้เราต้องทำเองอย่างบางคนอาจจะคิดว่าเอาเวลาเรามีความทุกข์เพื่อนมาเยี่ยมเยียน ม, มันก็เหมือนได้มาแชร์ประสบการณ์กันได้แบ่งความทุกข์กันไปถามว่าตรกกะแบบนี้มันจริงหรือเปล่าซึ่งบางที เพื่อนกระทุกเราก็ทุกทุกของเรามันจะไม่ได้ลดลงไปจริงๆแล้วทุกมันก็เป็นของใครของมันเพีงเยงแต่ว่าอาจจะโดนเขาเรียกว่ามารยาททางสังคมคอยบีบบีบเอาไว้หน่อยว่าการที่เราเห็นเพื่อนมีความทุกข์แล้วเรายังยิ้มเรายังหัวเราะอยู่ มันก็เป็นการเสียมารยาททางสังคมไปแต่ถามว่ามันถูกต้องไหมจริงๆไม่ถูกต้องหรอกเพราะการที่เพื่อมีความทุกข์สิ่งที่เขาอยากได้จากเราก็คือกําลังใจความสดชื่นอารมณ์ดีๆที่จะมากลบเบียดบงังอารมณ์ที่มันเศร้าหมองออกไปบ้างได้พักบ้างนั่นแหละแต่กลายเป็นว่า เพื่อนเศร้าเราก็ต้องเศร้าไปด้วยเพื่อจะได้รู้สึกว่า เ, เราได้แบ่งปันความทุกข์ของเขามานะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้แบ่งและเราก็ทำให้เราทุกข์ไปเองสุดท้าย mm. เพื่อนก็ทุกข์เราก็ทุกข์คนทุกข์อยู่คนทุกข์มันก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่ยิ่งหดหู่เข้าไปใหญ่ยิ่งเศร้าหมองเข้าไปใหญ่ ซึ่งกรณีแบบนี้จริงๆแล้วก็ เ, เทียบเคียงกับคนป่วยก็จะชัดเจนเหมือนกันการที่เราไปเยี่ยมคนป่วยด้วยสภาพสภาวะแบบจิตใจที่มันสดชื่นเ บ, บิกบานมันก็เป็นเรื่องจำเป็นไม่ใช่ไปถึงก็โอ้ยหน้าเศรา้าหน้าเศร้าหมองไปคุยก็คุยแต่เรื่องที่มันคดหู คนป่วยเนี่ยเขาก็โดนผัสสะทับถมใจพอแรงอยู่แล้ว ก, กลายเป็นว่าคนรอบข้างก็เอาแต่ผัสสะที่มันหดหูไม่สดชื่นไม่เบิกบานไปทับกันอีกแทนที่ป่วยกายแล้วไม่ป่วยใจมันจะกลายเป็นทั้งป่วยกายป่วยใจไปด้วยแต่การที่เราไปเยี่ยมคนป่วย แล้วเราก็พกความรู้สึกช่าชื่นเบิกบานไปด้วยมีกระแสของใจที่มันสดชื่นเบิกบานผ่องใสไปด้วย mm. เขาอยู่ใกล้เรา mm. เขาก็พอที่จะได้รู้สึกช่าชื่นเบิกบานไปด้วยนิดๆหน่อยๆก็ยังดีพอให้ได้สดชื่นพอให้ใจมันได้คลายจากความทุกข์กาย ให้มันได้หลีกออกมาแยกทุกกายออกไปต่างหากจากใจได้บ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องที่บางทีกับดักทางค่านิยมมันก็เป็นอันหนึ่งที่เราจะต้องก้าวข้ามไ ป, ไปให้มันได้เหมือนกันเพราะบางครั้งค่านิยมของสังคมกับสิ่งที่มันถูกต้องตามความเป็นจริงมัน มันไม่ใช่สิ่งเดียวกันมันไม่ใช่สิ่งที่ไปทางเดียวกันก็มีบางครั้งค่านิยมมันก็ไปในแนวทางที่ถูกต้องตามความเป็นจริงก็มีแต่โดยส่วนมากอะไม่ไม่ไม่ค่อยตรงอ่ะไม่ค่อยตรงอย่างค่านิยมการที่เรา สมมติว่าอ่าเลื่อนตำแหน่งเงินเดือนขึ้นเนี่ะไปฉลองกันไปกินเหล้าก็เป็นค่านิยมแต่ถามว่ามันดีไหมก็มันจริงๆไม่ดีล่ะอุตสาห์ได้เงินเดือนขึ้นก็แล้วอุตสาห์ได้ตำแหน่งที่มันขึ้นมาก็ดีมันมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแต่เราเอาเรื่องดีๆเป็นสาเหตุทาให ชีวิตของเรามันทนกรัดกล่อนไปกินเหล้ามันก็ทำยังไงทำให้สติของเรามันขาดไปจากที่เป็นสัมมาสติก็กลายเป็นมิจฉาสติฮิริคือความละอายชั่วโอตับปาคือความเกรงกลัวต่อผลของบาปพอเหล้าเข้าปากมันก็ลดลงไปฮิริโอตับปามันก็ลดลงไปจาก ตอนที่ยังมีสติดีอยู่ก็มีความละอายไม่กล้าทำอย่างนั้นไม่กล้าทำอย่างนี้แต่พอเล่าเข้าปากไปเท่านั้นแหละความละอายหายหมดจากที่พูดหยาบคายไม่เป็นก็พูดได้จากพูดที่ไม่เป็นคนดีมีมารยาทไม่เคยแทะลมใครก็ทาเป็นดีไม่ดีถึงขั้นที่แบบระลาน ทำร้ายคนอื่นก็มีก็ามาจากอะไรมาจากตอนที่ขาดสตินี่ขาดสตินี่ไม่ใช่แบบดับวู้ไปอะไรอย่างนี้นะแต่หมายถึงว่าสติมันเปลี่ยนจากสัมมาสติกลายไปเป็นมิจฉาสติถามว่าคนเมามันรู้ตัวไหมมันก็รู้ตัวบางคนก็รู้ตัวถ้ามันไม่ได้เมาเยอะ มันก็รู้ตัวเองดีว่าอ่ะเดี๋ยวจะพูดเดี๋ยวจะทำจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้ถามว่ามันรู้ไัมยรู้แต่สติที่มันรู้ตอนนั้นเนี่ยมันไม่ใช่สัมมาสติแต่มันเป็นมิจฉาสติถ้าเรามีสัมมาสติเนี่ยมันจะเป็นสติที่เป응็นไปเพื่อความหน่ายความคลายกำหนัดเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นไปเพื่อความดับเป็นไปเพื่อนิพพาน แล้วมันก็จะยังคุณธรรมต่างๆอย่างเช่นฮิริก็ดีอตปะก็ดีให้มันเข้มแข็งแต่พอสัมมาสติของเรามันโดนทำลายโดยอของมันเมาของดองของเมานะ่มันเปลี่ยนกลายไปเป็นมิจฉาสติมันก็ทำบาปทำชั่วได้หมดและ เรื่อนสติก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆการที่เราทำให้สติที่เป็นสัมมาสติมันแข็งแรงบ่มเพาะเอาไว้ให้ดีอย่างที่ว่าไปคุณธรรมอย่างเช่นฮิริก็ดีโอตปะก็ดีก็ก็จะแข็งแรงไปด้วยอย่างศีล ที่เรากําลังรักษารักษาอยู่เนี่ยจริงๆก็มีตั้งหลายข้ออย่างอันนี้ก็สมาทานศีลแปก็แปข้อใช่ไหมอย่างพระก็ส2งอยยี่สิถ้าเกิดเรากลับบ้านอย่างน้อยเราก็ปีศีลหดูมันก็อาจจะมีมากมายหลายข้อหลายแบบที่จะต้องคอยกํากับดูแลต้องคอยรักษา แต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะมีห้าข้อ8ดข้อสิบข้อสองยข้อยังไงก็แล้วแต่มันก็รักษาแบบเดียวกันรักษาที่ใจนี่แหละการที่เรามีศีนี่มันแข็งแรงรักษาได้ดีเนี่ยคุณธรรมที่เรียกว่าหิริกับโบทป่ามันก็มันจะเป็นคุณธรรมที่ทำให้เรารักษาศีล ได้อย่างดีเ ร, เรามีความละอายที่เราจะทำสิ่งที่มันขัดต่อความความดีเกงกลัวต่อการที่เราทำทําบาปอากุศลธรรมลงไปผลที่ได้มันก็จะแสบร้อนเผ็ดร้อนที่จิตใจพูดไปมันก็ ไปเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างนะก็จับฉายไปจีบระถาไปแต่เราก็คุยเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างให้มันพอเป็นแง่เป็นเงื่อที่พอปฏิปะตะว่าเออเราจะเอาไปใช้ในชีวิตจริงของเราย่างไงบ้างแต่หลักใหญ่ใจความสาคัญก็คือทั้งหมดทั้งมวลมันเขาออกมาจากจุดที่เรามีสติคอยเห็นใจมีสติที่คอยดูแลจิตใจอยู่ แต่มีสติคอยดูแลจิตใจอย่างเดียวเพียงพอไหมสำหรับผู้ที่จบงานแล้วมันก็พอเหมือนพระอรหันตทเจ้าทั้งหลายนะท่านก็มีสติที่คอยดูแลจิตใจอยู่สม่ำเสมอแต่สำหรับเราเพียงพอไหมอย่างเรายัางต้องมีงานนะ่ะท่านเป็นผู้ที่เรียกว่ากระตังกรณนียัง กิจอันใดที่ต้องทำก็ได้ทำแล้วนาปรังอิทธายาติก็รู้ว่างานที่มันยิ่งไปกว่านี้ไม่มีไม่มีงานที่ต้องทำแล้วนะงานที่มันยิ่งไปกว่านี้ให้มันละเอียดกว่านี้พระนี่กว่านี้ไม่มีแต่สาหรับเราเราท่านท่านก็ยังต้องเป็นคนที่ยังมีงานที่ยังต้องศึกษาอยู่ เพราะฉะนั้นเราจะมีสติคอยรักษาใจอย่างเดียวเพียงพอหรือเปล่าไม่เพียงพอเราต้องมีการอบรมศึกษาเพิ่มเติมด้วยว่าให้มันรู้แจ้งรู้แจ้งในไหนรู้แจ้งในความจริง4อย่าง4อย่างก็ที่เรารู้ก็ดีกันอยู่แล้วก็คือความจริงเกี่ยวกับทุกความจริงเกี่ยวกับเหตุเกิดทุก ความจริงเกี่ยวกับความดับทุกข์ความจริงเกี่ยวกับทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์อันนี้มันก็เป็นภาพรวมนะแต่ในรายละเอียดว่าเวลาเราเจอทุกข์มันทุกข์ใจยังไงเสียดแทงใจยังไงมันเป็นทุกข์ไหมหรือว่ามันเป็นทุกข์อันนี้เราก็ต้องของจริงศึกษาของจริงเอา เราเหตุเกิดทุกเนี่ยมันก็มีได้ตั้งแต่ขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดแต่ตัวละเอียดนี่ท่านก็สรุปไว้ให้แล้วเนี่ยว่าคือตัณหาคือความพยานอยากในใจแต่แน่นอนอนะ่ะบางทีเราบอกโทษแต่ความอยากความอยากอย่างเดียวแต่เราไม่รู้ไม่เคยศึกษาเลยว่าตัวหยาบเป็นยังไงแบบกลางเป็นยังไงมันก็จับ ตัวความอยากลำบากเหมือนกันอย่างบางทีคนเขามาว่าเราอย่างเงี้ยเราโกรธขึ้นมาปุ๊บอ่าเป็นทุกข์ละเไม่พอใจขัดเครื่องใจถ้าเราได้ศึกษาเราได้ทองหักที่จะคุยกับจิตใจเราเราก็จะรู้เนี่ยว่าเอาให้เขาด่าเรานะททำไมโกรธวะอ่า เป็นการตั้งคำถามแล้วเอาละไอ้ที่เขาพูดนี่มันจริงไหมมันพูดไม่จริงพูดไม่จริงก็เลืองไม่จริง้วจะโกรธทำไมเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดเราไม่ได้ไปเป็นอย่างที่เขาว่ า, าแล้วทำไมพอมันไม่ไม่จริงแล้วแล้วาทาไมถึงขัดเคืองถึงโกรธ ถ, ถามไปถามมาบางทีมันก็จะตอบว่า ก็เขาพูดไม่จริงไงเขาควรจะต้องพูดเรื่องจริงสิถ้าเราจะแก้กันกันอีกเนี้ยก็ต้องอ้าวแล้วเราบังคับปากเขาได้ไหมเราบังคับปากให้เขาพูดแต่เรื่องจริงได้ไหมอย่างคนไม่ดีจะให้เป็นคนดีมันก็เป็นยากเราบังคับได้ไหมบังคับไม่ได้อ้าไม่ได้แล้วเราอยากได้ใช่ไหมมันเป็นทุกข์ใช่ไหมล่ะ สุดท้ายเนี่ยมันก็คือใจเราต่างหากโอ้ยเราไม่ได้เขาไม่ได้ทำเราหรอกเราทำเราเราเองใจเราเนี่ยมันสำคัญผิดมั่นหมายผิดไปเองไปอยากในสิ่งที่ควบควบุมไม่ได้พอมันอยากในสิ่งที่มันควบควบุมไม่ได้แล้วมันไม่เป็นดังที่หวังไว้นี่แหละความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เขาหรอกเราเองนี่แหละ เราเองเราทำตัวเราทุกข์ซึ่งการที่เราได้คอยคุยคอยตั้งคำถามกับจิตใจของเราเองว่าอะไรมันเป็นเหตุเกิดทุกข์ไรเลียงกันไปเรื่อยๆถามมันไปเพราะอะไรใช่จริงหรือเปล่าอย่างนี้มันจะทำให้เราเป็นผู้ที่ละเอียดละออในทางเดิน ละเอียดละอในอุบายคื่ อ, ออกจากทุกข์แล้วเราก็จะเห็นเห็นเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้จริงๆว่าเหตุเกิดทุกข์เนี่ยก็คือตัณหาความทยานอยากในใจของเราเองนี่แหละไล่ไปไล่มามันก็จะมาจบอยู่ตรงนี้แหละสุดท้ายความอยากในใจ เ, เป็นตัวเสี่ยมทำให้เราเห็นผิดคิดผิดพอเห็นผิดคิดผิด มีความอยากผิดผิดมันก็นำความทุกข์มาให้เวลาฟังก็จดจ่อไว้กับสติเฉพาะหน้าเอาไว้ให้ดีนะบางทีฟังไปก็เพลินไปเพลินไปก็ใจก็เลื่อนลอยออกไปอันนี้ก็อาจจะเสียหลักนิดหน่อย การที่เราตั้งใจฟังโดยที่เข้มข้นกับสติเฉพาะหน้าเอาไว้ไปอันนี้เป็นเรื่องดีธรรมะบางครั้งมันเข้าหูฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่มันลงไปที่ใจเรามันก็จะมีผลประการแรกเลยก็คือว่ามันจะทำให้ใจเราสงบ ไม่วุ่นวายคุณสมบัติของการฟังเทศที่ดีก็คือนอกจากจะได้เคยได้ยินได้ยินในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังหรือได้ยินได้ฟังแล้วมันก็แจ่มชัดขึ้นหรือคลายสงสัยแล้วก็ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือ มีจิตใจที่มันผ่องใสสงบระงับอันนี้คือยอดที่เราอยากจะได้จากการฟังเทศฟังธรรมจำได้บ้างไม่ได้บ้างช่างมันแต่ฟังแล้วใจเรามีความสบายปลอดโปรโง่งเบาสบายอันนี้ดีมากๆส่วนความรู้ที่มันตกค้างอยู่ในใจอันนั้นมันก็เป็นสมบัติของเรา เวลาที่เรามีปัญหาเรามีเรื่องที่จะต้องแก้ปัญหาคอยขอบคิดไอ้ไอสมบัติที่เราเก็บไว้จำได้ตอนนั้นมันก็จะผุดออกมาในความคิดเราเน่ยแหละเป็นอุบายที่จะนำนำเราให้ออกจากทุกข เพราะนั้นสิ่งสำคัญก็คือมีสติเห็นกายเห็นใจแล้วก็อย่าไปใส่ใจกับอารมณ์ในใจมันมากบางครั้งมันก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นนะบางครั้งมันก็ปลอดโปร่งเบาสบายดีบางครั้งมันก็หนักมันก็แน่นบางครั้งมันก็เศร้าหมองบางครั้งมันขุ่นมัวบางครั้งมันเร่าร้อนบางครั้งมันหมดหิรฟุ้งซ่าน บางครั้งมันก็ดีสงบดีเย็นใจดีมันเป็นของที่เราอาจจะรู้สึกว่าเราจะต้องมาจัดการกับกิเลสตรงนี้แหละก็ะชัยอยู่พอสุขใจมันก็สุขตรงนี้แหละทุกใจมันก็ทุกตรงนี้แหละแต่ตรงนี้มันยังเป็นส่วนที่ถ้าจะพูดกันให้ละเอียดจริงๆก็คือมันก็เป็นสิ่งที่ยัง เศร้ามองก็ได้ห่องใสก็ได้ยังเป็นสิ่งที่มันยังเปลี่ยนแปลงไปทางเศร้าหมองก็ได้ห่องใสได้ไมันเป็นสิ่งที่ยังเปลี่ยนแปลงได้อยู่เพราะฉะนั้นเราก็รู้เอาไว้เราก็ไม่ควรจะฝากความเป็นเราเอาไว้ตรงนี้เอาความเป็นเรายกขึ้นมาไว้ที่สติเฉพาะหน้านี่ สติมันก็เป็นของที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหมือนกันมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปนั่นแหละแต่มันจะเป็นที่ที่เวลาเราฝากใจของเราไว้ตรงนี้แล้วเนี่ยอารมณ์มันจะไม่ท่วมทับความเป็นเราอารมณ์ในใจมันก็จะไม่ไม่มีที่ที่มันจะมาทับ ท่วมท่วมทับจิตใจของเราตรงนี้พูดมันง่ายแต่มันก็หาจังหวะจะโครทำมันยากอยู่พอสมควรแต่ก็บอกเป็นแนวเอาไว้ก่อนซึ่งเราฝากความเป็นเราเอาไว้ที่สติตรงนี้จะเป็นจุดที่มันดี ทีทั้งในเบื้องต้นขัามกลางและก็ที่สุดจบเพะนั้นก็ให้ฝึกฝึกที่จะฝากความเป็นเราเอาไว้ที่สติเฉพาะหน้าให้ได้เห็นกายที่มันไม่ใช่เราเห็นใจที่ไม่ใช่เราแต่ความเป็นเราอยู่ที่สติ